ถามฟังบางคนบอกว่าถ้านิพพานมีจริงเป็นบรมมศุขใครรอดจากสังสารวัตไปถึงนิพพานได้ก็สบายอย่างนี้เท่ากับทิ้งพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนพ้องไว้กับทุกขนับว่าเป็นการเห็นแก่ตัวตรงเนี้ยจะตอบเขาอย่างไรดีตอบตอบเขาไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทําไปเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยครับคุณไม่เคยทําอะไรและผลไม่เข้าตัว เมื่อคิดสละไม่หวังเอาอะไรไว้เลยบุญอันเกิดจากการคิดสละไม่หวังเอาอะไรตอบแทนก็เกิดขึ้นเป็นเงาตามคุณไปอยู่ดีและความจริงอีกด้านหนึ่งคือคุณไม่มีทางตามไปช่วยใครได้ตลอดการคนที่คุณช่วยจะต้องตายจากไปหรือไม่คุณเองก็อาจต้องตายจากเขาไปก่อนเมื่อตายจากกันก็ลืมกันและไม่แน่เสมอไปว่าคราวหน้าเมื่อเจอกันใหม่ จะได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอีกด้วยอำนาจความลืมด้วยอำนาจความไม่รู้ด้วยอำนาจโลภะโทสะและความหลงผิดประการต่างๆอาจบีบให้ต้องเผลอทาร้ายกันทั้งที่รักกันป่าจะกลืนก็ได้นี่คือสัจธรรมหาใช่การสมมุติคุณดูผู้คนในโลกมีใครบ้างช่วยกันได้ตลอดมีอะไรบ้างประกันว่าวันหนึ่งจะไม่หันมาทำร้ายกันเองอีกประการหนึ่ง พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธท่านก็ทำตัวอย่างนำทางไว้แล้วกล่าวคือเมื่อท่านรอดท่านพบนิพพานแล้วหลุดพ้นจากทุกข์อย่างถาวรแล้วท่านก็ไม่ได้ด่วนทำลายขันให้แตกดับเพื่อเข้าเสวยวิมุตติสุขแห่งนิพพานท่านยังตราตราเหนื่อยยากกลับมาช่วยญาติมิตรให้รอดตามแถมยังพ่วงสัพรพสัตผู้ควรแก่การรู้แจ้งให้ได้รู้แจ้งตาม ดังนี้จะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนเห็นแก่ตัวย่อมไม่ควรส่วนพระอรหันต์ต่างๆจะมีกําลังขนญาติมิตรไปด้วยหรือไม่อันนั้นไปว่ากันไม่ได้เพราะหน้าที่ที่ถูกต้องของแต่ละคนคือต้องช่วยตัวเองให้รอดก่อนนี่เป็นหลักของพุทธเราจริงๆครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อได้ตนเองเป็นที่พึ่งแล้วย่อมชื่อว่า ได้ที่พึ่งอันหายากและเมื่อใดาสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองพระพุทธเจ้าก็จะชี้เลยเธอไปทางทิศโน้นส่วนเธอไปทางทิศนั้นไปช่วยโปรดให้สังสารสัตว์ผู้จมทุกข์ได้พ้นจากทะเลทุกข์ขึ้นสู่ฝั่งแห่งความปลอดภัยสำคัญคือคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าตัวเองสามารถช่วยเพื่อนร่วมโลกด้วยกำลังแห่งภูยังไปไม่ถึงฝั่ง คุณเห็นนักปฏิวัตินักดนตรีเพื่อชีวิตตลอดจนนักสังคมสงเคราะห์กี่คนกันที่รักษาอุดมการไว้ได้ตลอดชีวิตพาพ่อแม่พี่น้องและคนทุกทั้งหลายไปถึงฝั่งที่ตนฝันบางคนนอกจากกรับลำไม่ช่วยหรือช่วยไม่ได้ยังอาจทำร้ายครอบครัวทำร้ายสังคมเสียด้วยซ้ำการช่วยเหลือนั้นมีหลายแบบครับใครยืนอยู่ตรงไหนก็ช่วยออกมาจากตรงนั้น สำหรับพุทธเราพระพุทธเจ้าสรรเสริญการช่วยให้ถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยเข้าถึงได้ด้วยตนเองก่อนแล้วจึงค่อยยื่นมือมารับญาติมิตรที่ยังลอยคอในห่วงทะเลอันตรายที่ชื่อวัตตะสงสารนี้ส่วนญาติมิตรจะตามขึ้นบกได้หรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะคาดหวังให้เกินตัวไปเปล่าๆครับ ด, ดังตริน13กุมภาพันธ์พุทธศักรา25ช2550บทความจากทรรมะใกล้ตัวฉบับที่10อา่านโดยโจโชแล้ววันนี้จะ อ, อ่อนแรงบุญทําดีนั้นหนหนหนมั่นใจว่าสิ่งที่จะมีหักมีพลให้ยิ้มและสู้อดทน ไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเราะอะไรต้นเหตุคือใครที่ในกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทวง